วันนี้เป็นวันพุทธที่สิบห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าหสบห้าหสบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิ์วันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สอนให้สาธุชนพุทธบริษัทได้หยุดการทํางานทําการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองหนึ่งวันเพื่อมาเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีหาความสุขเปลี่ยนวิธีจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย การเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑชนิดต่างๆให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกนิ้กายไม่ต้องพึ่งเงินทองให้มารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่เองเพราะว่าต่อไปข้างหน้าเผื่อเวลาที่ร่างกายของเรา ไม่พร้อมที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราก็ยังมีวิธีที่จะหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายหรือเวลาที่เราขาดเงินขาดทองเงินทองไม่พอใช้ไม่สามารถที่จะไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิกก่นรสผลธธธธิภัณชนิดต่างๆได้เราก็ยังสามารถมีความสุขได้เพราะว่าการหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทองไม่จําเป็นจะต้องใช้ร่างกายไม่จําเป็นจะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย ใช้สิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานั่นก็คือสติเท่านั้นเองถ้าเรามีสติสามารถควบคุมใจให้หยุดคิดได้ใจก็จะสงบได้เมื่อใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโดท่าาชนิดต่างๆ นี่คือวันพระวันที่เรามาฝึกฝนสร้างความสุขทางใจกันเพื่อเป็นความสุขสำรองเอ่ออนาคตข้างหน้านั่งกายเราเป็นอะไรไปนั่งกายของพวกเราทุกคนจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงเวลานั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จัก หาความสุขจากการทำใจให้สงบเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะร่างกายไม่สามารถพาเราไปหาความสุขจากรูปสิยงกฯลิ่นรสผลตภัชชนิดต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกฝนมาเรียนมาปฏิบัติสร้างความสุขทางใจในวันพระกัน เราก็จะมีวิธีหาความสุขทดแทนความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายการใช้ตาหูจมูกยิ้นกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพาชนิดต่างๆถ้าเราไม่ฝึกฝนกันเลยเราจะไม่รู้วิธีทำใจให้สงบ เราจะไม่สามารถทำใจให้สงบให้มีความสุขได้เวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะได้ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้ามีแต่ความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อหงอยเหงามีความหงุดหงิดมีความลำคานใจต่างๆ นี่คือประโยชน์ของการหาความสุขทางใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแต่การหาความความสงบของใจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาและต้องมีการทำกันอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีวันหยุด วันเพื่อที่เราจะได้เอาวันหยุดนี้มาให้กับการสร้างความสุขของใจกันวันพระนี่จึงเป็นวันที่เราควรจะหยุดทำงานกันแต่เนื่องจากในในโลกปัจจุบันนี้วันหยุดทำงานของเราไม่ได้เป็นวันพระเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เราจึงควรที่จะปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดของเราคือให้ตรงกับวันพระวันถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็กำหนดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ให้เป็นวันที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างความสงบมาเรียนรู้วิธีมาฝึกขาดวิธี ทำใจให้สงบเพราะถ้าเราเมื่อเรารู้จักวิธีแล้วเราก็จะสามารถมีความสุขสร้างความสุขขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองก็เปรียบเหมือนกับการที่เรามาฝึกฝนอบรมฝึกจิตทำจิตให้สงบทาจิตให้ มีความสุขนี้ก็เหมือนกับเวลาที่เราไปหัดว่ายน้ำกันสมมติว่าถ้าเราต้องมีการเดินทางทางน้ำบ่อยนั่งเรือนั่งเรือไปตามสถานที่ต่างๆก็อาจจะมีอุบัติเหตุมีอุบัติภัยทำให้เรือล่มได้แต่ถ้าเรารู้จักว่ายน้ำ เวลาเรือร่มเราตกอยู่ในน้ำเราก็ยังสามารถประคับประกองน่างกายของเราไม่ให้จมน้ำได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกผัดว่ายน้าถ้าเกิดเราเดินทางไปในทางน้ำแล้ว เ, เกิดเรือล่มขึ้นมาตกลงไปในน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็อาจจะจมน้าตายได้ การสวกจิตเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสุขทางใจก็เป็นในลักษณะนะแบบที่เรามาฝึกขัดว่ายน้ํากันนีเ่เป็นสิ่งที่เราสามารถทํากันได้แต่ต้องใช้เวลาฝึกขัดกันการว่ายน้ําก็ต้องใช้เวลาไม่มีใครว่ายน้ําเป็นตั้งแต่เกิดหอกมา ก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้จักวิธีว่ายน้ำแล้วก็พยายามฝึกว่ายน้ำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะว่ายน้ำเป็นเวลาตกไปในน้ำก็จะไม่จมน้ำก็จะรู้จักวิธีว่ายน้ำประคับประคองให้ร่างกายไม่จมลงไปในน้ำนั่นเอ ง, งด้านการมาฝึกทัน การทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับการหัดว่ายน้ำเวลาที่เราเริ่มต้นทำใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่ามันยากเพราะมันเป็นของที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ถ้าเราคิดถึงอนาคตของเราที่วันข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนวันข้างหน้าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะขาดที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเรา เงินขาดร่างกายเราอาจจะเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนชราหรือเงินทองเราไม่พอใช้เราก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขทางลูกเสียงกิ่นรสผดสะพานได้แต่ถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมวิธีหาความสุขจากการทําใจให้สงบเราก็จะสามารถ มีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่มั่นคงกว่าเพราะว่ามันเป็นของที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะแก่หรือไม่แก่ไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ ไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ก็ตามเพราะว่าใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ถ้ามีสติถ้าได้ฝึกคัดทำใจให้สงบเป็นใจก็สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาให้ความสุขได้ตลอดเวลายานานจะทำให้ไม่ต้อง ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปเลยก็ได้ถ้าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะสามารถหาความสุขจากการมีสติการมีปัญญาจากการฝึกฝนอบรมต่อไปใจก็อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กเลยก็ได้เพราะไม่ต้องมีลเพราะไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกาย เมืไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายต่อไปใจก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> อยู่เรื่อยๆเหมือนอย่างที่ใจของพวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้สาเหตุที่ทำให้ใจของพวกเราต้องมาเกิดมามีร่างกายกันเพราะใจมีความอยากหาความสุข จากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆใะการที่จะหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดสะพ้าต่างๆได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่จึงมีการมาเกิด เป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เนราชานบ้างการอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะใจต้องพึ่งการมีร่างกายถึงจะสามารถหาความสุขได้แต่สำหรับใจบางคนที่สามารถฝึกฝนอบรมหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ตีดต่อไปเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดมามีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีความแก่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายไม่มีการพลาดพลาดจ า, ากกันเกิดขึ้นมาอีกต่อไปนี่<ม>แหละคือคุณประโยชน์จากการที่เรามาศึกษามา ึกฝนอบรมทำใจให้สงบกันถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดความชำนิชำนานแล้วก็จะสามารถทำได้มากขึ้นไปตามลำดับเรื่องตอนนี้เราก็เริ่มที่วันวันหยุดทำงานกันก่อนเอาวันหยุดทำงานหนึ่งวันมาให้กับการ <c oughs> ศึกษาวิธี การทำใจให้สงบว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็เมื่อรู้วิธีแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราได้ ป, ปฏิบัติต่อไปผลคือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับตามกำลังของการปฏิบัติของเรา ถ้าปฏิบัติมากก็จะปรากฏขึ้นได้ได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นถ้าปฏิบัติน้อยก็จะปรากฏขึ้นมาได้น้อยได้ช้าอยู่ที่การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเองดังนั้นในวันค้านี้จึงเราจึงมาสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, กัน ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีวิธีที่เราจ ะ, <c oughs> ะมีมีความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็ต้องมีเวลาก่อนเราจรึงต้องมีวันพระวันหยุดทำงานเพราะถ้าวันไหนที่เราไปทำงานเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกจิตใจ ทำจิตทำใจให้สงบได้เบื้องต้นเราก็ต้องมีเวลามีวันพระสมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเราก็ต้องปรับวันพระใหม่ให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของเราเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทำงานเราก็จะเอาวันนั้นมาเป็นวันที่เราจะมาฝึกฝนอบรม ทำจิตทาใจของเราให้สงบกันนะสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติพอมีเวลาแล้วถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการที่จะทำให้ใจของเราสงบขึ้นมาได้เราก็ต้องเรียนรูนะ้สิ่งแรกที่เราต้องมีกันก็คือต้องปฏิบัติกัน ก็คือเราต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันการละเว้นนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนค ข, ขมมะเนคขมมะแปลว่าการออกจากกามสุขการละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดสภาะชนิดต่างๆวิธีที่เราจะละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดสภาะก็คือ การรักษาศีลแปนี้การรักษาศีลแปดนี้นอกจากละเว้นจากการกระทําบาป ค, คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การพูดปลดการดื่มสุรายาเมาแล้วก็ยังมีการละการหาวความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทปภะชนิดต่างๆเช่นศีล สี่ข้อที่สี่ของสีนน่แปดนี้สิลข้อที่สามของสิลแปดนี้จะต่างกับสินข้อที่สามของสีลห้าสิของศิลห้าข้อที่สามคือการไม่ประพฤติผิดประเพณีอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ร่วมหลับนอนไม่ร่วมเพศกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนยังอนุญาตให้ร่วมเพศหลับนอนกับคู่ครองของตนได้อยู่ แต่ถ้ามาถึงศีลแปดศีลข้อสามนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอรา拉มจริยาคือการประพฤติพรหมจรรย์คือการไม่ร่วมเพศไม่ร่วมหลับนอนกับใครให้ละเว้นการหาความสุขจากการร่วมเพศกันอันนี้เป็นศีลข้อที่สามของศีลแปดเป็นเนตรธรรมเป็นการออกจากความุข ไม่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิพัณคือร่างกายของผู้นั่นเองแล้วเราก็มาละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มชนิดตา่างๆตามความอยากให้มารับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มเฉพาะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อที่ยังต้องใช้ในการเลี้ยงดูร่างกาย ร่างกายยังจำเป็นจะต้องมีอาหารมีน้ำมีเครื่องดื่มไว้หล่อเลี้ยงเราก็ให้มันตามความต้องการตามความจำเป็นก็พอก็เราสร่างกายนี้ <c oughs> ถ้าเราให้อาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งก็อยู่ได้แล้วให้อาหารให้เครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรที่มีรสมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <c oughs> ก็ให้เดิมพร้อมๆกับการรับประทานอาหารไป mm hmm. ก็ศีนข้อหกของศีลแปดก็คือไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหาร mm hmm. เอาเวลาที่เราจะมาให้กับการรับประทานอาหารหลังจิตตอนหลังจากเที่ยงวันนี้ mm hmm. มาให้กับการปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบการรับประทานอาหารเพื่อความพอเพียงแก่ร่างกายนี้ไม่จาเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนรับประทานเพียงครั้งวันสองครั้งก็พอแล้วสาหรับผู้ที่ปฏิบัติมามากขึ้นก็จะสามารถรับประทานอาหารวันละหนึ่งครั้งก็อยู่ได้้ว การไม่รับประทานอาหารมากนี้ก็จะมีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติการทำใจให้สงบด้วยเพราะว่าถ้ารับประทานอาหารมากมันก็จะทำให้เกิดความเกลียดค้านไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิอยากจะนอนกันสังเกต ด, ดูเวลาที่เรารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนี่ตาจะ ต, ตาจะหลับกัน หนังท้องจะตึงหนังตาจะหย่อนจะไม่อยากที่จะไปทำอะไรอยากจะหาหมอนอยากจะนอนพักผ่อนแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพอดับความหิวเราก็จะไม่มีการการง่วงเหงาเหานอนเวลาที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อเป็นการเจริญสติ นี่ก็คือศีลข้อหกก็คือไม่รับประทานอาหารตามความอยากให้รับตามความจำเป็นของร่างกายตามความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอเพียงแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาคอยกังวลกับการที่จะรับประทานอาหารหรือ ดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าหลังจากที่เราหลังจากที่ยวันไปแล้วถ้าร่างกายมีความต้องการน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าไปก็ได้ร่างกายไม่ต้องการน้ําที่มรีรูปเสียงรลเสียงรสสีันอะไรต่างๆร่ า, ง, า ง, งกายต้องการน้ําแต่กิเลสคือตัวการมาคุณโัวการมาฉันทะความอยากเสกกรรม มันอย่ากดื่มเครื่องดื่มที่มีทั้งรสมีทั้งสีสันอะไรต่างๆถ้าเราต้องการที่จะกำจัดเราต้องการปฏิบัติในคขมมะอย่างแท้จริงหลังจากที่เราหลังจากเที่งวันไปแล้วหลังจากที่เราเสร็จภารกิจเรื่องการให้อาหารให้เครื่องดื่มแก่ร่างกายแล้วถ้าร่างกายมีความหิวก็ให้ดื่มน้ำเปล่า น, นี้ก็เป็นศีลข้อหกของศีลแปศีลข้อเจ็ดก็คือให้เราละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายที่เกี่ยวกับเรื่องมหรศศพบันเทิงต่างๆไม่ดูไม่ฟัง<ม>พวกละครพวกบันเทิงหรือพวกเรื่องราวที่ไม่มีสาระทางธรรมะสามารถดู รือฟังเรื่องธรรมะได้อยู่เช่นตอนนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอย่างนี้ฟังธรรมได้อยู่ฟังการสนทนาธรรมได้อยู่ฟังเรื่องราวต่างๆบางทีก็มีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นต้น อ, อ, อันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการศึกษาธรรมเป็นการฟังธรรมสามารถทาได้ แต่ไม่ควรดูภาพยนตร์ดูละครดูคอนเสิร์ตอะไรต่างๆไม่มีคนจะมีกิจกรรมจัดปาร์ตี้จัดการร้องราทำเพลงจัดงานเลี้ยงต่างๆไม่ควรที่จะไปร่วมงานเลี้ยงงานต่างๆอันนี้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าทงนั้น แล้วก็ให้เราละเว้นจากการเสริมสวยความงามของร่างกาย ด, ด้วยสื้อด้วยเสื้อผ้ า, าพรอที่วิจิตพิสดาที่มีสีสันให้สวมใส่เสื้อผ้ า, าพ่อแบบเรียบง่ายไว้เสื้อผ้าผ่อนนี้มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจาก แมลงสว์กัดต่อยต่างๆหรือของของแหลมของคมต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายได้ถ้ามีเสื้อผ้าผรก็จะป้องกันภายานี้รวมถึงป้องกันอากาศที่หนาวเย็นถ้าอากาศหนาวเย็นถ้าร่างกายไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้แล้วก็หน้าที่ของเสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อปกเป็นอวัยวะต่างๆที่ไม่ควรที่จะเปิดเผยอันนี้เป็นธรรมเนียมของสัตว์ที่ประเสริฐคือมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์รู้ว่าควรจะเปิดเผยส่วนใดของร่างกายและส่วนใดของร่างกายไม่ควรที่จะเปิดเผยไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้เรื่องความเหมาะสมความถูกต้องดีงามเขาก็เลยไม่ต้องมีเสื้อผ้า นต่มนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เลร้ยงานมีปัญญารู้ว่าสิ่งใดครที่จะเป็นสิ่งที่คนจะปกปิดไม่คนที่จะเปิดเผยไม่นำเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะเป็นต้น <c oughs> ก็ต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของหรูหราเป็นของแบรนด์เนมของราคาแพ ง, แพง เอาให้เป็นเสื้อผ้าที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากภัยของอากาศที่หนาวเย็นหรือจากแมงสัตว์กัดต่อยหรือของมีคมต่างๆเท่านั้นก็พอเพียงอันนี้คือสิ่งก็ที่เจ็ดไม่ให้หาความสุขจากอสมบัทิไม่ให้หาความสุขจากการฉันสวยความงามของร่างกายนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ เครื่องสมอางต่างๆน้ามันน้ำหอมต่างๆเป็นต้นโดยไปถึงการทเราํเเผาทำผมต่างๆด้วยสิ่งเห่านี้ไม่ควรที่จะทำในวันพระในวันที่เรามาปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอวดโฉมให้กับใครเรามาอยู่ที่ที่สงบที่มาทำใจให้ร่อยความสุขจากความสงบกันจะได้ไม่เสียเวลามากไปด้วย ถ้าเราต้องเสริมสวยความงามเราก็ต้องเสียเวลากับการเสริมสวยความงามจะทำให้เวลาของการที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบนี้มีเวลาน้อยลงไปนั่นเองและสี่ข้อที่แปดก็คือไม่ให้เรานอนในบนเตียงที่ที่สุขสบายจนเกินไปที่เรียกว่าเตียงสำาราบที่มีฟูกหนานนะ ที่นอนหลับแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็ยังจะอยากจะนอนต่อเพราะมันแสนจะสบายวิธีที่จะทําให้เราไม่นอนมากเกินไปให้ร่างกายพักเพลินพักผ่อนตามความต้องการของร่างกายคือสี่ห้าชั่วโมงก็พอเราก็ต้องนอนบนเตียงที่ไม่สุกไม่สบายจนเกินไปเช่นบนเตียงนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งไม่มีฟูกไม่มีไม่มีเบา เป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อหรือถ้าไม่มีเตียงก็นอนกับพื้นก็ได้ถ้าเรานอนกับพื้นแข็งๆนี้เวลาที่ร่างกายง่วงนอนร่างกายก็จะนอนหลับไม่ว่าจะนอนบนเตียงบนฟูกหนาๆหรือบนบนพื้นแข็งๆเวลาร่างกายอ่อนเพลยเมื่อยล้าหลับง่วงนอนมันก็หลับได้แต่พอเวลามันตื่นขึ้นมานี่ ถ้ามันนอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงที่สบายใจจะไม่อยากจะลุกใจก็จะบังคับให้ร่างกายนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเราะถ้านอนบนพื้นแข็งๆที่ไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอพอตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะได้เอาเวลาที่จะนอนต่อนี้ มาให้กับการปฏิบัติต่อไปนั่นเองปฏิบัติทําใจให้สงบอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะฝึกฝนอบรมนิธีทําใจให้สงบนี้จําเป็นที่จะต้องทํากันให้ได้ก่อนก็คือต้องรักษาสิ้นแตให้ได้นอกจากการรักษาสิ้นแตแล้ว อู้ปฏิบัติที่ต้องการจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนี้จําเป็นที่จะต้องหาสถานที่ที่สงบด้วยที่สงบที่ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่มารบกวนใจเราไม่อยู่ในสถานที่ที่คนอื่นเขาไม่ ไ, มได้ปฏิบัติเหมือนกับเราปฏิบัติเช่นถ้าอยู่ที่บ้านถือศีลแปดนี้คนอื่นในบ้านเขาไม่ได้ถือศีลแปดกับเรา เขาก็จะดูหนําฟังเพลงกันเราก็จะกินอาหารตามความอยากกินได้ทุกเวลานาทีพอเราไปเห็นเข้ามันก็อาจจะทําให้ใจเราเกิดความอยากตามเขาขึ้นมาได้แนะอาจจะทําให้ไม่มีกําลังที่จะรักษาสิ้นแปดไม่มีกําลังที่จะไปฝึกสตินั่งสมาธิได้ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะฝึกสตินั่งสมาธิจึงคนที่จะไปหาสถานที่ ที่มีแต่ผู้ที่เขาปฏิบัติรักษาศีลแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมกันก็คือไปปฏิบัติอยู่ตามวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเพราะถ้าไม่เป็นวัดปฏิบัติเขาก็จะไม่มีการปฏิบัติกันเขาก็จะมีอย่างมากก็แค่สวดมนต์กันตอนเช้าตอนเย็นกันอย่างรอบ แต่เวลาอื่นก็อาจจะไปให้มีกิจกรรมอย่างหนึ่งให้ทำกันเราต้องไปหาวัดที่ให้มีทำมีแต่กิจกรรมคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับขึ้นมาไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรในระหว่างวันก็ตามก็ต้องมีสติอยู่กับการทำภารกิจต่างๆเหล่านั้นเพราะสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญในการที่จะทาให้เกิดผลเวลาที่ นั่งสมาธิจิตจะสงบไม่สงบจะนิ่งหรือไม่นิ่งจะสุขหรือไม่สุขนี้ก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามีสติมีกำลังมากก็โอกาสที่จะทาใจให้นิ่งให้สงบก็จะได้ง่ายได้เร็วกว่าสติที่มีกำลังน้อยถ้าสติมีกำลังน้อยนั่งไปนานเท่าไหร่ก็อาจจะไม่สงบก็ได้เพราะไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ สิ่งที่มีความจำเป็นข้อที่สองนอกจากการรักษาศี่แต่แล้วก็ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกใจจะสงบสงัดวิเวกได้ก็ต้องอาศัยสถานที่ที่ร่างกายไปอยู่วา่ามันสงบสงัดวิเวกหรือไม่ดังที่มีคำสอนที่ตัดไว้ว่ากายวิเวกจิตวิเวกตอนที่จิตจะวิเวกจิตที่จะสงบสงัดได้ ร่างกายต้องพาจิตไปอยู่ที่มันวิเวกที่สงบสงัดหรือตามสถานที่ปฏิบัติ ธ, ธรรมต่างๆหรือถ้าเราเป็นคนที่มีจิตที่ที่แก่กล้าอาจจะไปหาที่สงบในป่าในเขาไปปฏิบัติตามลําพังเหมือนกับพระธุดงค์ก็ได้พระธุดงค์นี่ถึงแม้ว่าท่านบวชมาอยู่ในวัดแล้วท่านก็ยังเห็นว่าบางทีในวัดก็ยังมีเรื่อง เรื่องราวต่างๆให้มาทำใจให้วุ่นวายได้อยู่ท่านก็เลยบางทีก็ขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ไปปีกวิเวกในป่าในเขาไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกิจนรสไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาคอยลบปวนใจนี่ ก, ก็คือข้อที่สองรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดด้วย เรียอว่าเป็นการเจริญปฏิบัติในคขมะการละความละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะพะสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ตาหูจมูกนิ้นกายไปเสพไปสัมผัสจับรูปเสียงกลิ่นรสผพดตะพะที่จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้มาหาสถานที่สงบที่สงัดวิเวกไม่ให้ ไม่ให้มีอะไรมารบกวนใจเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับและข้อที่สาถ้าไปอยู่ในที่ที่มีอาจจะต้องมีทำกิจกรรมร่วมกันกับนักปฏิบัติผู้เลยก็ไม่ควรที่จะครุกคีกันถ้ามาทำกิ จ, จวัตรมาทำหน้าที่อะไรก็มาทำด้วยการจริญสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ ไม่ส่งใจเราไปหาคนนั้นขอหาคนนี้ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ให้เรามีสติอยู่กับกิจที่เรากำลังทําอยู่เช่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้มีสติอยู่การรับประทานอาหารไม่ให้คุยกันเรืนต้นหรือเวลาที่ช่วยกันทาทาความสะอาดสถานที่ก็ต่างคนก็ต่างมีสติอยู่การทําความสะอาดไม่ให้ทาไปคุยกันไป เพอการคุยกันนี้มันจะต้องทําต้องใช้ความคิดพอ ย, ยิ่งใช้ความคิดมันก็จะยิ่งยากต่อการที่จะทําใจให้สงบเนีเราต้องพยายามลดการใช้ความคิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันก็ไม่ให้คุกทีกันไม่ให้คุยกันหรือเวลาเลือกทํากิจกรรมมันก็ไม่ควรจับกลุ่มสนธนานกันถามสารทุกสุขดิบกัน นักปฏิบัตินี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการที่จะเอาเวลามาให้กับการสนทนา 3, 3, ทำสามสาสุขสุขหยุดต้องการจะเอาเวลาไปให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการควรจะทํากันก็คืออ ย, อยากทุกข์ตีกันอยากคุยกันอยากจับกลุ่มทํากิจกรรม ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับที่ไม่จําเป็นที่ไม่เกี่ยวกับการทําจิตใจให้สงบถ้ามาฟังเทศฟังธรรมกันก็ต่างฝ่ายก็ต่างมามาด้วยสติคอยควบคุมความคิดของตนคอยควบคุมไม่ให้ใจส่งไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะไปสนทนาถามสาธะสาระทุกสุนิบต่อกันและกันถ้ามาฟังเทศฟังธรรมก็มาถึงสถานที่ก็มานั่ง เตรียมตัวนั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งเจริญสติไปทางพาในขณะที่ยังไม่ได้แสดงธรรมนั่งดูลมหายใจไปก็ได้หรือนั่งบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือนั่งสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ไม่ให้ส่งเสียงเพราะจะได้ไม่ไปรบกวนผู้อื่นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีก็คือต้องไม่คุกครีกัน ถ้าไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติที่มีคนหลายๆคนน่วมปฏิบัติกันก็ต่างคลายต่างปฏิบัติธรรมของตนคือการเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดไม่ปล่อยให้ความคิดออกมาทางวาจาไม่ให้ปล่อยให้ความคิดออกมาทางกายคือการกระทําต่างๆหรือการพูดคุยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะอะ คนที่จะปฏิบัติกันเพราะมันจะช่วยให้การฝึกสติการ น, นั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้มีความสงบนี้เป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้นข้อที่สี่ที่ผู้ปฏิบัติควรจะทำกันก็คือการบริโภคอาหารก็ควรจะรับประทานอาหารพอประมาณอย่ารับประทานอาหารมากเกินไป แม้จะรับประทานมื้อเดียวก็ตามก็ยังไม่ควรรับประทานให้มันอิ่มจนแน่นท้องให้รับประทานพอดับความหิวได้ก็พอพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็ให้หยุดรับประทานได้อย่าไปรับประทานต่อให้มันอิ่มจนพุงกลางมันจะทําให้เกิดภาวะความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาหลังจากที่กินอิ่มๆจะทําให้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้เลยอาจจะต้องรอให้ อาหารมันย่อยหมดไปก่อนถึงจะสามารถที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ต้องรู้จักการปริมาณในการบริโภคอาหารเมื่อบริโภคพอพอพ อ, พอต่อความต้องการของร่างกายรักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปจากการขาดอาหารเท่านั้นก็พออย่าไปหาความสุขจากการรับประทานอาหาร เพราะมันก็เป็นการมาสุขที่เราต้องการจะมาละกันเราต้องการมาหาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบการบริโภคอาหารก็จําเป็นที่จะต้องรู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพ้อมทําหน้าที่ของอาหารคือดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้ก็พอแล้วข้อที่สี่ที่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา จนถึงเวลานอนหลับไปก็คือการจเจริญสตินั่นเอง<ม>การฝึกสติอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมความคิดทุกทุกขณะจิตเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามต้องจเจริญสติก่อนอย่าปล่อยให้ความคิดมันไหลออกมามถ้าเรามีสติแล้วก็จะคุมความคิดไว้ได้ก<ม>ารเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ใช้กันทั่วไปตามสถานปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ก็คือการเจริญใช้พุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เจริญของสติให้เราเจริญคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอเร่มตาขึ้นมาก็ถ้าเราพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ อันนี้เราต้องคอยคอยควบคุมความคิดพอลืมตามขึ้นมาพอจะคิดเลื่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างก็หยุดมันอย่าไปคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นอาจจะต้องคิดบ้างนิดหน่อยเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรอะพอรู้ว่าวันนี้วันพระต้องไปปฏิบัติจเจริญสติก็รีบก็รีบจเจริญสติเลย พอรู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันพระวันที่เราปฏิบัติธรรมเราต้องเจริญสติเราก็หยุดคิดเลยแล้วก็มันเจริญสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธในระหว่างที่เราไปทาําภารกิจต่างๆเวลาลุกจากเตียงก็พุทโธแล้วเดินเข้าห้องน้ําก็พุทโธเวลาอาบน้ํำอาบท่าก็พุทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปเรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆ เวลารับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาทําความสะอาดสถานที่ก็พุโทโธพุโทโธไปพอไม่มีอะไรจะทําแล้วก็เดินเดินจงกรมก็พุโทโธพุโทโธไปมานั่งสมาธิก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนพอเวลาเรามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วใจจะไม่ฟุ้งซ่านเลยแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้ ปอให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อาบน้ำก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แปลงแลงฟนก็นั่งหน้าแปลงฟันก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ทําอะไรก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้าอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นต่อไปมันก็จะสงบไม่ได้นั่งสมาธิก็จะไ sí ม่เกิดผลขึ้นมาพอไม่เกิดผลขึ้นมามันก็จะเกิดความท้อแท้ได้เกิดความเบื่อหน่ายได้ อันนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกันคือ ต, ตั้งแต่การถือศีลแต่ตั้งแต่การไปปิดวิเวกตั้งแต่การไม่คุก ค, คีการตั้งแต่การบริโภคอาหารพอประมาณจนมาถึงการเจริญสติแนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีความเข้มขัดเข้งขัดเข้มงว ด, ด, ดกวดฉันเราต้องพยายามปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อน ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วพอมาถึงขั้นสติจะริญนสติแล้วก็จะริญนสติอย่างต่อเนื่องถ้าเราอาจจะเหนื่อยจากการบริกรรมการบริกรรมพุทโธก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบริกรรมตลอดเวลาถ้าช่วงไหนใจไม่คิดใจรู้เฉยๆก็ไม่ต้องบริกรรมแต่พอใจเริ่มคิดปรุงแต่งคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันไปหรือถ้าว่าเรา เราเหนื่อยจากการบริการพุทโธเราอยากจะเปลี่ยนมาการเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นเวลาอาบน้ําก็ให้ใจเฝ้าดูการอาบน้ําไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ใจไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายอาบน้ําใจก็อาบน้ําไปกับร่างกายร่างกายล้างหน้าแปลงฟันใจก็ล้างหน้าแปลงฟันไปกับร่างกาย ร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวใจก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปกับร่างกายให้อยู่คู่กับร่างกายไปในทุกอิยริยาบุตรทุกการกระทาอันนี้ก็เป็นการเจริญสติเองรูปแบบนี้ที่เราอาจจะสามารถใช้สลับกันหรือใช้ร่วมกันก็ได้ถ้าเราเฝ้าดูการกระทําของร่างกายแล้วใจยังแว บ, บไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ใช้พุโทโธเข้ามาช่วยด้วยก็ได้พุโทโธไปด้วยแล้วก็ดูว่าเรากําลังทําอะไรด้วยก็ได้ น, นี้คือการฝึกสติต้องพยายามฝึกให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันขาดหายไปส่วนใหญ่สําหรับผู้ที่เริ่มฝึกขาดใหม่ๆนี้อาจจะมีสติอยู่ได้ไม่กี่วินาทีพอพุโทโธได้ไม่กี่วินาทีเดี๋ยวเผลอพุโทโธหายไปแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วพอรู้ตัวว่าเผลอก็ต้องดึงพุโทโธกลับมาใหม่หรือทําไม่ได้อยู่กับร่างกายใจไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในปัจจุบันไปอยู่ในอดีต ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือคิดถึงเหตุการณ์ที่จะตามมาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นสแสดงว่าใจไม่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธแล้วเราก็ต้องดึงใจกลับมาหาพุโทโธดึงใจกลับมาหาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปช่วงแรกๆของการปฏิบัตินี้มันก็จะเป็นช่วงที่ล้อมลุกคุกคานผู้ปฏิบัติต้องใจเย็น อย่าไปคิดว่าจะทำได้ทันทีทันใดเยยกเว้นคนที่มีบารมีเก่ามาแล้วคนที่เคยฝึกขัดเจริญสติมาตั้งในอดีตชาติแล้วพอมาตั้งใจเจริญสติก็จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอันนี้ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่สาหรับคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฝึกสติมาก่อนในอดีตนี เวลามาฝึกสติใหม่ๆนี้มันจะเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดยืนหัดเดินกำลังคานกำลังหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งอยู่มันก็ต้อมมีการล้มลุกคลุกคลานไปตามเป็นธรรมดา mm hmm. จะเรีญสติพุโทโธพุโทโธได้สองสามวินาทีก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. เข้าดูการขึ้นไหวของร่างกายได้แค่แป๊บเดียวเผอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้ว mm hmm. ก็ต้องดึงกลับมา หาที่เจริญสติของเราถ้าเราใช้พุโทโธก็กลับมาหาพุโทโธถ้าเราใช้การดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเราก็กลับมาดูที่ร่างกายต่อไปกลับมาได้แป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไปกกลับมาหาพุโทโธได้แป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไปไปก็ต้องดึงมันกลับมาอีกเพราะใจมันไม่มันไม่ชอบอยู่กับที่มันชอบไปกับความคิดปรุงแต่งมันเป็นนิสัยมันเป็นติดเป็นนิสัยมา เนเวลายาวงานใจของเราชอบลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดจากเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นก็ไปต่อเรื่องนู้นคิดไปได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับบางที่เวลาหลับก็นอนไม่หลับก็มีเพราะยังหยุดความคิดไม่ได้อย่างคิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ทําอยู่เอางานเอาการกลับมาทําที่บ้านด้วยเอามาทําในใจมาคิดที่คิดอยู่ในใจ ทั้งๆที่บริษัทเขาก็ไม่ได้จ้างให้เรามาทํางานหลังจากออกที่บริษัทนั่นแล้วแต่มันยังตกค้างอยู่ในใจแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดบางที่คิดจนกระทั่งนอนไม่หลับก็หนึ่งนักบริหารบางคนนี้ต้องอาศัยการกินยานอนหลับกันผู้บริหารผู้มีภารกิจในในเรื่องการทํางานมากต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากพอถึงเวลามาหลับนอนก็นอนไม่หลับเพราะใจไม่ยอมหยุดคิดน ก็ไปอาศัยยานอนหลับการอาศัยยานอนหลับก็ไม่ดีมันจะติดยานอนหลับต่อไปถ้าไม่ได้กินยานอนหลับก็จะนอนไม่หลับแล้วยานอนหลับมันก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายได้มีผลเสียต่อร่างกายได้วิธีที่จะทำให้เรานอนหลับสบายง่ายๆก็คือวิธีของสตินี่ใช้เวลาเรานอนแล้วใจมันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แล้วก็เอามาให้มันมา ทองบริกรัมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าเราดูลมได้ก็ดูลมหายใจเพราะเราหายใจตลอดเวลาเวลาเราจะนอนเราก็ดูลมที่ปลายจมูกก็ได้ดูว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ดูท่านนี้เองไม่ต้องทำอะไรให้ผูกใจไว้กับลมหายใจเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พออยู่กับ รมหายใจได้ชั่วสักระยะไม่กี่นาทีใจก็หลับได้เพราะพอหยุดคิดลืมเรื่องราวต่างๆที่ทำให้นอนไม่หลับได้สตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้แล้วทำให้ใจมีความสุขได้ถ้าใจมีความสุขจากความสงบแล้วใจก็จะได้ไม่ต้อง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ต้องหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเมื่อไม่ใช้เงินทองมากก็ไม่ต้องทำงานมากก็ได้แล้วดีไม่ดีต่อไปถ้าไม่ไม่ใช้เงินทองหาความสุขเลยเพราะสามารถหาความสุขด้วยการใช้สตินั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปทางานทาการให้เหน็ดเหื่อยเมื่อล้ต่อไป เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิมาสร้างความสุขจากการทําใจให้สง ม, มจะดีกว่าซี่เพราะถ้าเราสามารถมีความสุขจากการใช้สติได้แล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนะ้ร่างกายแก่เราก็ไม่ทุกข์ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์ร่างกายจะตายใจเราก็จะไม่ทุกข์ พอเราสามารถทำใจให้มีความสุขได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งมหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ mm hmm. พระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราหยุดหาสตังกันให้มหาสติกันวันวันพระหนึ่งวันให้เป็นวันที่อยุดหาสตังก็เ อ, เอาเวลามหาสติ พราะคุณค่าของสาตางสู้คุณค่าของสติไม่ได้สาตางซื้อความสุขที่เป็นส่วนยากและเป็นความสุขที่เป็นของชั่วคราวและที่จะทําให้ใจต้องว้าวเวเศร้าซ้อยง่อยเงาเวลาความสุขนั้นหายไปหมดไปแต่สตินี้จะทําให้ใจได้ความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่มีน้ําหนักมากมีความสุขมากกว่าและมีความยั่งยืนมากกว่า พขาสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลามันเสื่อมหมดไปก็สามารถส ร, าสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทันทีเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องอาศัยเงินทองต่างๆเป็นเครื่องมือเพียงแต่ให้มีสถานที่ที่สงบไม่มีอะไรมาลบกวนใจแล้มีสติที่จะคอยควบคุมใจให้สงบให้ได้เท่านั้นเองใจก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลา แต่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ตามร่างกายจะตายหรือไม่ก็ตาม<ฮ>ใจที่มีความสงบนี้จะมีแต่ความสุข<ฮ>ความทุกข์จะไม่สามารถเข้ามาภายในใจที่มีความสงบมีความสุขนี้ได้เลย<ฮ><ม> น, นี่แหละเป็นคุณประเสริ์ของสัจการมาฝึกสติเพื่อให้เรามีความสุข มีความสุขที่จะสามารถที่จะต้านความทุกข์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียรับสมบัติเช่าของเงินทองก็ได้บางทีวันใดวันหนึ่งเราทำงานเราก็อาจจะตกงานได้พอตกงานเราก็ต้องขาดรายได้ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความสุขทางใจนี้เราจะรู้สึกเศร้าเศร้าโศกเสียใจ ต่วความวิตกกังวลว่าต่อไปเราจะทํำยังไงตอนนี้เราไม่มีรายได้แล้ว mm hmm. แต่ถ้าเรามีความสุขจากการทําใจให้สงบได้เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ต้องพึ่งเงินพึ่งทองอย่างมากก็ใช้เงินทองสําหรับเลี้ยงดูปากท้องของเราเท่านั้นเองซึ่งเราถ้ามีความสุขทางใจเงินเดือนส่วนใหญ่นี้เราก็จะเก็บไว้ได้หมดเพราะเงินเดือนส่วนใหญ่นี้มันเราไปใช้กับการ หาความสุขทางตาหูจมูกม้ยงกายกันแต่พอเราสามารถมีความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้เงินทองในส่วนนี้เราก็สามารถเก็บเงินทองนี้สํารองไว้ได้เงินทองที่เราจะใช้ก็ใช้เฉพาะการมาเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงทองของร่างกายทั้ น, นเองก็คือใช้ใจ่ายสําหรับค่าอาหารค่าที่พักค่าเครื่องนุ่งห่มและค่ายารักษาโรคเท่านั้นเอง เราก็จะมีเงินเหลือจากการทำงานสะสมเก็บเอาไว้พอเวลาใดที่เราตกงานขึ้นมาเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมีเงินสะสมนี้เอามาเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วส่วนความสุขของใจเราก็ใช้การปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราอาจจะดีใจเสียกว่าเราตกงานเพราะการตกงานก็หมายถึงว่าทาให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาให้กับการปฏิบัติ ได้กับการนั่งสมาธิได้มากขึ้นแทนที่จะต้องไปวุ่นวายกับการทำงานไปเครียดกับการทำงานพอไม่มีงานให้ไปเครียดด้วยอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดเราก็สามารถไปได้ไปอยู่วัดทีล ะ, ล ะ, ละหลายวันก็ได้บางคนก็มาอยู่วัดเป็นเดือนก็มีอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมใช้ความหายความสงบแทบจะไม่ต้องใช้เงินทองเลยการตกงานการขาดเงินขาดทองก็จะไม่เป็นปัญหาสาหรับผู้ที่ สามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้จะเครียดเพราะว่าจะต้องหาความสุขด้วยการใช้เงินทองเพราะความสุขทั้งตาหูจมุกนิ้งการนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินทองเอ็นอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ต้องมีเงินทองจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าที่พักต่างๆจ่ายค่าบริการอะไรต่างๆ ถึงจะไปมีความสุขได้หรือถ้าจะต้องดูต้องฟังหมอแล้วสบันเทิงก็ต้องมีค่าใช้จา่ายค่าไฟฟ้าค่าอะไรต่างๆต้องมีเงินมีทองทั้งนั้นแล้วนอกจากมีเงินต้องใช้เงินใช้ทองแล้วยังต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยถ้าเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะไม่สามารถหาความสขทางรูปเสียงกลิกก่นรสถดตะพาะได้ถ้าเรายังติดอยู่กัน่ะ เรายังเพิ่งการหาความสุขอย่างเดียวเพิ่งเพึ่งการหาความสุขทางกาหูจมูกนิ้นกายเพียงทางเดียวเราจะลำบากเวลาที่เกิดมีปัญหาขึ้นมาทางกายก็ดีทางร่างกายก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวยหรือพิโกนพิ ก, การไปหรือทางรายได้ถ้าเราไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองตกงานอะไรทานองนี้การที่เราจะหาความสุขก็จะเป็นไปได้ยากเราก็จะอยู่ ใ้อยู่กับความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขจากการฝึกสมาธิฝึกติตได้พอเราไม่มีอะไรต้องทำตบงานเราก็อยู่บ้านหรือไปวัดไปปฏิบัตินั่งสมาธิทาใจให้สงบเราก็มีความสุขได้นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมกันมาเป็นเป็น เป็นเครื่องสำรองการหาความสุขอย่าไปพึ่งความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพียงอย่างเดียวเพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนเพราะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกันอาศัยตาหูจมูกลิ้งกายที่แข็งแรงอาศัยลูกเสียงกลิ่นรสผลภาณฑที่ที่เราสามารถหามาให้ความสุขสำหรับเราได้ต้องอาศัยเงินทอง ที่เป็นเครื่องมือในการที่จะพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ท, ที่เราอยากจะเสกกันถ้าสิ่งถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปพถะก็จะเป็นไปไม่ได้พอเราไม่มีความสุขเราก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาไน้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าขาดความสุขไม่สามารถหาความสุขอย่างที่เคยหาได้ สังเกตดูคนที่ตกงานคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่สูญเสียสิ่งที่ลากไปนี้มักจะเจอกับโรคซึมเศร้าทั้งนั้นเพราะไม่สามารถหาความสุขได้อีกต่อไป น, นั่นเองเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แต่ถ้าพวกเรามาฝึกหัดกันมาฝึกมาหาความสุขในวันหยุดทํางานกันวันพระกันนี้ ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกินรดไม่ต้องใช้เงินทองเพียงแต่ให้เรามีสถานที่สงบให้มีเวลาเดินจงกลมนั่งสมาธิทำใจให้สงบเท่านั้นเราก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุข จากรูปเสียงกิ่นรสผลตภาชชนิดต่างๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนํำมาไปพิจารณากันเพราะอนาคตเป็นของที่ไม่แน่นอนสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในวันนี้มันไม่ได้มันไม่มีอะไรมันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะร่างกายของเรานี้เราก็รู้กันอยู่อย่าว่ามันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆ แล้วความสามารถที่จะใช้ร่างกายในการหาความสุขต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขด้วยวิธีอื่นเราเวลาขาดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาแลวบางทีซึมเศร้ามากๆก็อาจจะคิดถึงกับการฆ่าตัวตายก็ได้ปัจจุบันนี้คนฆ่าตัวตายกันมากก็เพราะว่า เวลาที่ผิดหวงังเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆได้ก็เลยเกิดความเครียดเกิดความเศร้าขึ้นมาเศร้ามากๆขึ้นมาก็ไม่มีความมันก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่กับความทุกข์อยู่กับความซึมเศร้าอยู่กับความว้าเว่ก็เลยฆ่าตัวตายกันซึ่งเหตุการณ์เล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่รู้จักวิธีหาความสุขจากการทําใจให้สงบ งั้นขอให้พวกเราจงยาประมาทให้เราคิดถึงอนาคตที่มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากการฝึกสติจากการนั่งสมาธิได้เราก็จะมีความสุขหลอดด่อเลี้ยงจิตใจเราไปเรื่อยๆ เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราให้ความสุขกับเราไปเพราะเราสามารถมีความสุขทดแทนได้ mm. นี่คือหน้าที่ของพวกเราหนึ่งงานที่พระเจ้าเอามาให้พวกเรากระทำกันในวันพระก็คือมาฝึกสติมานั่งสมาธิเพื่อสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคต การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรออยาทาวเววาหาปุราปาลิปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิตทินางเปตังังอุปกัรปติสัจิตังปัติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสามกปา จันโทปนะราสุยาามลิโทติราสุยาาสัพิติโยวิวัชจันโตสัพพโลกวินาศตุมัตถีพวัตวันตาายโสุขีธิฆายุโกภวะอภิวัตานัสสินิจจานุทัตปจายโน ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เลอกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคาถาม ถ้านดอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง f เ c e b o o k 474ท่านทาง Youtube พระสุชาติไลท์340ท่านทาง y youtube ดรวี40ท่าน ทางวิทยุออนไลน์12ท่านครบเฮาส์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ95ท่านรวมทั้งหมด966ท่านครับมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเจ้าค่ะจากคุณนิพาฝากคำถาม ถ, ามถึงพระอาจารย์ค่ะการที่เราฝึกปฏิบัติทุกๆวัน แต่ยังมีความหงุดหงิดและขี้โมโหอยู่เป็นเพราะอะไรคะเพราะผลจากการปฏิบัติยังได้ไม่มากพอต้องปฏิบัติให้มากขึ้นอยู่ต้องถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดนี้ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนคําถามต่อไปอยากสงบอยากไปถึงนิพพานนี้คือความอยากใหม่ครับยังหลงความอยากอยู่ไหมครับ เป็นความอยากที่ดีเรียกว่าฉันทะเป็นธรรมไม่ได้เป็นกิเลสอยากได้อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากทำความดีอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลความอยากเหล่านี้เรียกว่าเป็นฉันทะเป็นอิทธิบาทสี่หนึ่งในของอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเจ้าค่ะคำถามจากคุณทราย ปรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราพึ่งร่างกายในการปฏบิบัติบูชาเพื่อไม่ต้องพึ่งร่างกายเพื่อความสุขอีกต่อไปลูกเข้าใจถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกทางแล้วความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ใช้ธรรมะคือสติปัญญาศิลสมาธิปัญญา คำถามต่อไปจากคุณแพลรุ่งกราบนรัตกาญค่ะถ้าเราโดนคุณใส่มาครอบงําจิตควรทําอย่างไรให้หลุดพ้นเจ้าคะเมื่ต้องไปเชื่อมันก็จบแล้วเราไม่เชื่อมันเองมันก็เลยครอบงําเราถ้าเราเลิกเชื่อมันว่าไม่มีวันเรื่องไร้สาระพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องรล่มมาเหล่านี้โยมบาลเทวดามนุษย์ ก็ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ไปถึงนิพพานใช่ไหมครับพระอาจารย์ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องเวียนไหวตายเกิดนี่พระอรหันต์มีพรนะพุทธเจ้าที่ยุติการเวียนไหวตายเกิดได้ใช่ค่ะคําถามจากอินบ็อกช์ใค่ะสวัสดีครับ อยากทราบว่าถ้าเปิดร้านขายอาหารซึ่งทางร้านมีแมลงสาบจำนวนมากจาเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อความสะอาดของร้านเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ควรแก้ไขอย่างไรครับถ้าค่าเขาก็ผิดต้องหาวิธีทำให้เขาไม่อยากเข้ามาในาร้านเราฉีดยารอบร้านเราก็ได้เวลามันได้กลิ่นเวลาจะเข้าร้า น, นก็จะไม่กล้าเข้ามา แต่ถ้าเราไปฉีดให้มันตายไปเจอตัวมันแล้วไปฉีดใส่มันนี้ถ้ามันตายแต่ถ้าเราฉีดป้องกันไว้ไว้ก่อนเวลามันจะเข้ามามันได้กิน่นมันก็จะไม่เข้ามาได้เจ้าค่ะคำถามจากอินบล็อกเจ้าค่ะเป็นคำถามของโยมที่กล่าวถึงวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่ขอเชิญทำบุญใหญ่อุทิศให้แก่เปตชนผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับวิญญาณร้ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งแดนทั่วแดนโลกทาตเป็นงานบุญเปิดสามแดนโลกทาตรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องบุญนี้ให้ฟังหน่อยครับต่างจากบุญอื่นที่เราทําประจำใหม่ครับอ๋อต้องไปถามที่วัดป่าบันตานเาเราไม่เราไม่เกี่ยวข้องเลยเราไม่รู้ พูดไปแล้วอาจจะไม่ไม่ถูกก็ได้งั้นอยากจะรู้ต้องไปติดต่อกับที่ว่าเ้าโดยตรงถามที่วัดเขาเจ้าค่ะคำถามอินบ็อกซ์นะคะโยมเคยปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งหนึง่งแล้วเหมือนโดนไล่แต่โยมก็อดทนไม่ไปอยู่จนครบวันปฏิบัติและอยู่เกินกำหนดที่ตั้งใจเอาไว้ และสามีก็ได้ไล่ออกจากชีวิตเขาด่าไล่แบบรุนแรงมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยมช็อกตกใจแล้วสรุปจะทำยังไงเจ้าคะเพิ่งโดนไล่เมื่อวันที่12เดือน5 ปีสองหบอกให้เดินออกไปจากชีวิตเขาเขาไม่อ ย, อยากอยู่กับโยมให้เลิกทวารเขาให้เลิกคิดถึงเขาด่าแบบหยาบคายแบบนี้เลยเจ้าค่ะแล้วโยมไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนจริงๆสรุปเขาไล่จริงหรือทดสอบอารมณ์เหมือนที่หลวงพ่อเทศเจ้าค่ะแล้วยมต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะก็เฉยๆไปถือว่าเป็นข้อสอบไปไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจเฉยๆไป ถ้าเขาอยากจะให้เราไปเขาก็ต้องเอาตำรวจมันจะจับเราออกไป mm. แต่ถ้าเขาทดลองใจเราเดี๋ยวเขาก็ mm. เขาก็ให้เราอยู่ต่อไปเอ้เราไม่ต้องทําอะไรเราก็อยู่เฉยๆของเราไป mm. แล้วก็ปองว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นมีบากกรรมของเราที่ค่ะมีคําถามนะที่ค่ะจาก เฟซบุ๊กเจ้าค่ะตอนนี้ปฏิบัติธรรมมาเกือบสองปีแล้วทั้งตัวข้าพเจ้าเองและสามีค่ะรักษาศีลห้าปฏิบัติไม่ให้ขาดรักศีลยิ่งชีพแต่เพิ่งมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมีมิจาชีพมาหลอกให้สามีลงทุนหมดเงินไปเกือบเจ็ดแสนซึ่งเป็นเงินเก็บของครอบครัวและอนาคตลูกๆค่ะตอนนี้วางใจได้แล้วและตั้งนาะ ทั้งตาทํามหาหากินกันต่อไปค่ะแต่ก็ยังอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่ามันเป็นผลของชาตินี้หรือชาติที่แล้วที่ทําให้เกิดวิบากกรรมแบบนี้เจ้าค่ะ๋มันเป็นความโลภโลภอยากได้เพาเข้ามาลออลวงเอาเรื่องราว ต, ต่างๆมาหลอกเราเราก็เชื่อทําตามเขาเราจะร่ําจะรวยมไม่เคยหวาดระแวงคิดเลยว่าเขากําลังมาหลอกเราความโลภเนี่ยมันจะมักจะทําให้คนตาบอด ก, กัน เชื่อกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเสกสรรบุงแต่งขึ้นมางั้นอย่าไปเชื่อใครคนที่เราไม่รู้จัก อ, อย่าไปสนใจไม่มีใครอยู่ดีๆเอาเงินมาให้เราหรอกมันมีแต่จะเอาเงินของเราไปถ้ามันแน่จริงเงาเงินมาก่อนสิแล้วเราก็ค่อยทําตามที่มันบอกอนี่มันจะเอาเงินเราไปก่อนแล้วทําตามมันก็ถูกเขาหลอกไปแต่นั้นเอง ท่านก็บอกว่าคุณจะได้ร้อยล้านเอามาห้าร้อยล้านก่อนแล้วต้องจ่ายเท่าไรเรายินดีจ่ายให้ทีหลังเอถ้าลงทุนล้านหนึ่งล้วได้สิบล้านเอาสิบล้านมาก่อนแล้วเหลือจะจ่ายล้านหนึ่งไปให้ <S <S อันนี้เอาเงินไปก่อนล้านหนึ่งสิบล้านก็ไม่มา <S <S อนนถูกหลอกไม่ฉลาดความโลภเนี่ยเห็นต้องระมัดระวังนถ้าใครมาเสนออะไรดีๆเอามาก่อนสิ เอามาแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็ยินดีจ่ายเขาเงินที่เข้ามาให้เราจ่ายไปเราก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมคำถามจากคุณแพวรุ่งเจ้าค่ะอยากทราบว่าควรแผ่ไม่ตายให้กับผู้ที่จองเวินเราไหมคะและถ้าแผ่แล้วรู้สึกได้เลยว่าอีกฝ่ายไม่รับและจะมีผลกระทบต่อเรามีเอฟเฟกต์ไม่ดีกลับมา คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้าเขาให้เขารับรู้ว่าเราแผ่เมตตาเช่นเขาจองเวรจองกรรมแล้วเราก็บอกว่าเราเอาหัสิกรรมเราไม่เราไม่ถือโทษกอดเคืองอยากจะจองก็จองไปอยากจะทำอะไรเราก็ทําไปอยากจะทุบตีเราอยากจะฆ่าเราก็ปล่อยเขาทาไปถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้ใจเราจะสงบใจเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องการจองเวรของเขาอีกต่อไปคุณอนนบเรียนสอบถามว่า ในวันปกติหรือวันพระพระชานเทศสอนพระที่ปฏิบัติอยู่บนเข่าด้วยไหมครับออไม่ใช่เรื่องของเราต้องถามหรอกนะถามเป็นเรื่องที่ระเกี่ยวกับเราดีกว่าถามอซอกแทกคำถามจากคนนักกรี้าค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติหลังทําสมาธิควรหรือจําเป็นต้องแผ่ส่วนกุศลไหมครับขอบคุณครับไม่จําเป็นเราเพราะแผ่ไม่ได้ส่วนกุศลจากการปฏิบัติยังมันยังไม่เกิดเข้าใจไหมมันยังไม่ได้ผลจิตยังไม่สงบถึงไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการปฏิบัติทำให้อุทิศบุญด้วยการทําบุญทำทานเพราะผลมันเกิดขึ้นทันที เวลาทำบุญปั๊บผลก็เกิดขึ้นทันทีสามารถเอาผลที่ได้จากการทําบุญนี้อุทิศไปให้กับผู้รองรับไปแล้วไปได้ ท, ทันทีแต่ผลที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้มันยังไม่เกิดม่รู้จะผลมันรู้จะเอาอะไรไปอุทิศให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วยังไม่นิยมนิยมอุทิศบุญด้วยการทำบุญทำทานครับถามจากคุณใบบุญจ้า ถ้าคุณแม่ยังงมงายเรื่องสักการะบูชาเทวดาแต่ท่านจะกล่าวขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านหายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่เราควรกระทําไม่ควรห้ามท่านถูกต้องไหมคะส่งสารท่านเจ้าคะ่ะอถ้าท่านไม่มาปรึกษาก็เราเร า, เราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปพูดอะไรขอยท่า น, นทําไปตามความเชื่อของท่านไป คำถามจากคุณกิติยาดาเจ้าค่ะกราบสาธุ ค, ค่ะกราบขอโอกาสพระอาจารย์หนูมุกดาหารนะคะเพิ่งไปกราบพระอาจารย์เมื่อวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาค่ะฝากคำถามด้วยนะคะหนูปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะรู้ว่าโทสะน้อยลงและเวลามีอารมณ์อะไรมากมากระทบตอนนั้นตัดอารมณ์ได้เร็วขึ้นค่ะแบบนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของหนู ก้าวหน้าขึ้นไหมคะพระอาจารย์จิตโลภรู้จิตโกรรู้จิตหลงรู้แต่รู้แต่ไม่เอาให้เป็นอารมณ์อุเบกขาวางเฉยการภาวนาก็ให้อยู่ในอารมณ์เดียวนานๆค่ะคอยพิจารณาร่างกายไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราพิจารณาแบบนี้ซ้ำๆค่ะหนูกควรทำแบบนี้พิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ถ้าทําไปเพื่อปล่อยวางเพื่อให้ลดความทุกข์ให้น้อยลงไปจากใจถ้าความทุกข์น้อยลงปล่อยวางได้มากขึ้นก็ถือว่าไปถูกทางแนละ้วคำถามจากคุณทีรัธนาเจ้าค่ะถ้าเราปฏิบัติทำวันละสามเวลาครั้งละสามสิบนาทีความหงุดหงิดเครียดแบบอยู่ข้างๆในลึกๆจะหายถาวรได้ไหมเจ้าคะก็หายเฉพาะช่วงที่เราปฏิบัติ พอช่วงเราไม่ปฏิบัติมันก็กลับคืนขึ้นมาได้กาอยากจะให้มันหายทาวงก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลามีสติมีปัญญาตลอดเวลามึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีคำถามจากคุณเลยวเจ้าค่ะ หนูอยากสอบถามพระาจารย์ว่าหากเราอยู่กับแม่สามีพ่อสามีแล้วหนูเงินไม่พอใช้เพราะทำงานไรายได้ไม่มาก แต่แม่ตัวเองไม่ค่อยได้ส่งเลยแล้วถามเขาเริ่มรำคาญแล้วต่อว่าก้าวร้าวไม่เกียดหนูแล้วก็ขุดเรื่องเก่าๆของหนูออมาพูดให้แม่หนูไม่เคยช่วยเหลือทางครอบครัวเขาเลยมีแต่ครอบครัวเขาช่วยบางครั้งต้องดินน้นรนเขาจะไม่สนใจว่าหนูอยู่กินยังไงเขาให้เงินเขาเงินเดือนสองหมื่นบาทแต่เขาให้หนูไม่ถึงห้าพันบาทให้หนูมาลงทุนขายตุ๊กตา แต่ทุนมันน้อยแล้วก็พยายามดินน้นรนแม่สามีต่อหน้าหนูก็ดีรับหลังหนูก็บอกรู้ชายมาด่านหนูอยู่บางครั้งหนูคิดถึงแม่ตัวเองแต่แม่ตัวเองไม่เคยให้ความสุขทางจิตใจได้เลยมีแต่พูดแต่เรื่องเงินกับเราเสียใจทํางานไปน้ําตาเขาเบ้าทุกวันมันมีแต่ความทุกข์พยายามสวดมนต์แต่ใจหนูไม่สงบเลยเจ้าค่ะช่วยหาหนทางแนะนําแนวทางหนูด้วยเจ้าค่ะก็ทําเท่าที่เราทําได้ ถ้าทาไม่ได้ก็ปรงไปว่าเป็นบุญเป็นกรรมไปของคนเขาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องปรงไปถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปเจ้าค่ะคุณวิชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการสวดมนต์ให้กับคนอื่นผลบุญจะเกิดกับบุคค น, นั้นๆจะได้รับอานิสงส์งจากการสวดมนต์หรือไม่ครับไม่หรอกของใครของมันมักินข้าวกินแทนกันไม่ได้ กินทางกันได้ก็ดีให้คนเดียวกินแล้วคนทั้งประเทศก็กิ่มพร้อมกันไปหมดเลยคำถามหมดแล้วจ้ะ okay. ค่ะอเมีใครอยากจะถามอีกไหมที่อในนี้ถามได้น ะ, ะเพราะว่าถ้าไม่ถามก็จะได้เลิกประชุมกันก็มาอีงไหมมีคำถามเข้ามาอีกไหม ใช่ค่ะมีคําถามเข้ามาอีกหนึ่งคำถามการไหวพระและเจ้าที่และเทพต่างๆด้วยผลไม้และน้ําสิ่งของกินต่างๆทุกวันพระทั้งที่บ้านที่บริษัทแบบนี้ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับและเมตตาจริงไหมคะไ ม, ไม่ไม่ได้รับหรอกเพราะเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือกฎแห่งกรรมทนัที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกนักน้นแวไหว้เขาไปเขาก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเราทําบุญก็จะให้คุณกับเราทําบาปก็จะให้โทษกับเราให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือทําดีลับบาปยังไม่มีคำถามจะมาเจ้าค่ะไม่นี้ก็เอาค่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ